พัดปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นอยากเป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจดังนี้และการปฏิบัติดังนี้เองก็เรียกว่าเป็นการมนสิการคือใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ไว้ในใจ คือนำเอาปัญญาที่รู้เห็นในสัจจะทั้งสี่นี้มาใส่ไว้ในใจใจจึงประกอบด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นอันว่าใจนี้เองก็พ้นจากเรื่องหรือสิ่งที่ ไม่ควรจะนํามาใส่ไว้ในใจอันเรื่องที่ไม่ควรจะนํามาใส่ไว้ในใจนั้นก็คือเรื่องที่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นสศพติดอยู่ในตัณหาจึงเป็นอันว่าติดอยู่ในทุกข์ และปฏิบัตินอกทางของศีล ส, สมาธิปัญญาของมัคมีองแปดเป็นทางอากุศ ล, ลกรรมมรดด่างต่า ง, างเป็นทางของกิเลสต่างๆนั่นไม่ควรจะใส่ไว้ในใจแต่ว่านำเอาทัศนคือปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้งสีนี้มาใส่ไว้ในใจก็เป็นอันว่าได้นำเอา ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือมักไปองแปดมาใส่ไว้ในใจนําเอาความดับทุกขมาใส่ไว้ในใจใจก็พ้นทุกได้แม้ในขณะที่ปฏิบัติแม้ว่าจะยังเป็นการทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามก็ยังเป็นอันว่าได้หัดให้พบกับความดับทุกได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป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 ในธรรมพระบรมศ า, ศาสดาได้ทรงสอนวิธีที่จะละอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดาลไว้หลายประการ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 ความสำรวมอินทรีย์จึงจะอธิบายข้อนี้โดยจะเริ่มด้วยอธิบายคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ที่อาจารย์ท่านสอนกันมาให้แปลว่าเป็นใหญ่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 ในการฟังในการได้ยินเสียงคานะคือจมกูกได้ชื่อว่าอินซีเพราะเป็นใหญ่ในการสูดดมหรือราบกลิ่นคิวหาคือเล่นื่อว่าอินซีเพราะเป็นใหญ่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 ในทุกเวลาที่ตากับรูปได้ประจบกันหูกับเสียงได้ประจบกันจะูม ก, กับกลิ่นได้ประจบกันลิ้นกับรสได้ประจบกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องได้ประจบกัน มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวได้ประจบกันพระพุทธได้สั่งสอนไว้ทุกข้อว่าให้พิจารณาโดยแยกคายสํารวมอินทรีย์คือตา ก็คือในขณะที่ตากับรูปประจวบกันหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าตาเห็นรูปก็มีสติคอยสํารวมระวังเอาไว้มีให้ยึดถือสิ่งที่ตาเห็นนั้น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 พี่นำความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตใจท่วมจิตใจอันความยินดีความยินร้ายที่ไหลเข้ามาส่วมท่วมจิตใจทางตานี้แหละ ได้ชื่อว่าเป็นอาสวะอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวแล้วคือกิเลส ท, ที่ดองจิตใจด้วยดองจิตสันดานก็ไหลเข้ามาทางตานี้นั่นเอง โดยที่ยึดถือเป็นอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นในจิตใจท่วมจิตใจเรืงเรียกว่าดองก็เพราะเหตุว่า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 แต่เมื่อมีการกลั่นให้เป็นของเมาขึ้นมาด้วยความร้อนก็เรียกว่าน้ำกลัน่นก็คือสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำกลัน่นเรียกว่าสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำดองเรียกว่าเมรัยสุรานั้น คือน้ำกลั่นที่เป็นน้ำเมาก็เป็นสุราทั่วๆไปน้ำดองที่เป็นน้ำเมานั้นก็เจะ น, น้ำกระแช่ส่วนที่เป็นกิเลสนี้เราใช้อุหารเรียกกันว่าดองจิตสังดาน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 หรือหากว่าจะใช้วโวหารของคำว่าน้ำกลั่นคือสุราว่ามากลั่นจิตใจให้แปรปรวนคือโมเมาขึ้นมาก็ได้แต่มักจะเรียกกันว่าดองจิตใจจะเรียกว่ากลั่นจิตใจก็ได้เหมือนกันแต่หมายว่ากลั่นให้ แรปรรนมัวเมาขึ้นมาอันเป็นลักษณะของโมหะคือความหลงซึ่งเป็นพื้นของความยินดีความยินร้ายต่างๆแต่ว่าสำหรับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในข้อนี้ท่านใช้ว่าพิชชาคือยินดีโทมนัสคือยินร้าย อันเป็นอาการที่ปรากฏพิจารณาเห็นง่ายส่วนอาการที่เป็นความเมาซึ่งเป็นโตโมหะคือความหลงอันเป็นพื้นนั้นอาจจะเห็นยากจึงได้ทรงชี้เอาความยินดีความยินร้ายซึ่งเห็นได้ง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ พิจารณาได้ง่ายก็เป็นอาสวะคือไหลเข้ามาทางตามาดองจิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินไรหรือ ก, กลั่จิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินไรก็เท่ากับว่าเหมือนอย่างว่าดื่มสุราเมรัยเข้าไปทางคอดื่มเข้าไป สุราก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำกลัน่นเมรัยก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำดองก็ทำให้จิตใจแปรปรวนมัวเมาขันใดก็ดีเมื่อรับอารมณ์คือรูปทางตาเข้ามาโดยไม่มีสติจึงยึดถือ ก็เกิดยินดียินไหลเข้ามากลั่นหรือมาดองจิตใจให้แปรปรวนให้โม่เมาให้ยินดีให้ยินร้ายดังนี้เรียกว่าไม่พิจารณาโดยแยบไายคือไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสังวรคือสกัดกั้นเอาไว้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 เป็นอาสวะดองจิตใจคอยมีสติสำรวมระวังพร้อมทั้งปัญญาที่รู้รู้เท่าทันอยู่ดังนี้ก็จะทำให้รูปที่เห็นนั้นก็สักลงไเป็นรูปไม่ยึดถือเป็นอารมณ์เข้ามา เป็นอาสวะนองจิตความที่มามีสติมีปัญญาคอยควบคุมในทุกขณะที่เห็นอะไรอะไรทางตาดัางนี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยแยกขายสัมมุ่มินทรียีคือตาทางหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงอะไรอะไรทางหูก็มีสติพร้อมทั้งปัญญา พิจารณาโดยแยกไข่ไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้ทราบกลิ่นอะไรทางจมูกก็เช่นเดียวกัน มีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกไข่ไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะลองจิตใจได้ทราบรสอะไรทางลิ้นก็เช่นเดียวกันมีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยกขาย ไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้ทราบอะไรทางกายก็เช่นเดียวกันคือได้ถูกต้องผลธภะสิ่งที่ถูกต้องอะไรทางกายก็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 ทราบอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ดังนี้ได้ชื่อว่าสํมรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจนี่คืออินทรีย์สังวรความความสัรวมอินทรีย์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 จะปฏิบัติในศีลจะเป็นปฏิบัติในสิลนห้าสิลแปดปฏิบัติในสีลนสิบของสามเณรหรือปาฏิโมกขสังวรศีลศสลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกสำหรับภิกษุเรื่องปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า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 และอินทรียสังวรนี้ก็จัดเป็นศีลข้อหนึ่งในปาริสุทธิศีลทั้งสี่อันหนึง่งแม้ในการที่จะปฏิบัติในสมาธิก็จะต้องมีอินทรียสังวรช่วยด้วยจึงจะทำสมาธิได้แต่หากว่า ไม่มีอินทรียสังวรก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้เพราะว่าจะระงับนิวรณไม่ได้นิวรณที่เป็นอันตรายของสมาธินั้นก็เพราะขาดอินทรียสังวร น, นั่นเองก็คือว่า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 เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายไหลเข้ามาท่วม จ, จิตใจเป็นอาสวะดอง จ, จิตใจจึงได้เกิดเป็นนีวอนต่างๆขึ้นเป็นการมฉันความพอใจรักใครในกรรมบ้างเป็นพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล่างผลานบ้างเป็นทีนมิทะ ความงุวงงุนเคลือบเคล่อบ้างเป็นอุท ธ, ธจกักรกุคุจจ์ความฟุ้งซ่านรําคาญใจบ้างเป็นวิจีกิจช้าความเคลือแคลงต่างๆบ้างเมื่อเป็นดังนี้ก็ยากที่จะระ ง, งับจิตลงให้เป็นสมาธิได้จิตก็จะเป็นไปตามอำนาจของนิวรณ์ฟุ้งซ่านไปต่างๆ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 เป็นการป้องกันมิให้ยึดถือสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางประตูตาหูจมูกเล่นกายลยมะมนณะคือใจเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตสัมดันได้โดยมีสติพร้อมนั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบขายอยู่เสมอกำหนด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 จะรักษาศีลจะทำสมาธิจะอบรมปัญญาก็ตาม <S <'s ก็จำเป็นที่จะต้องมีอินทรีย์สังวรน้นอยหรือมากจึงจะสามารถรประคับประคองตนให้ดำรงอยู่อวะ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 ของคนทั้งหลายในโลกนี้อันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นจากความไม่สำรูปอินทรีย์นี้ทั้งสิ้น